ถ้าวันนี้เป็นวันพระนะลูกหลานกนัตถายาตโยมเป็นวันพระเดือน10บดับวันนี้สิบห้าวันสิบห้าค่ำเดือนสิบแต่ทางภาคกลางเขาเรียกเป็นกยาศาสตร์ทางภาคกลางแนละ้ววันนี้นะทำบุญอุทิศสวนกุศลทางภาคกลางแต่ทางภาคอีสานของเราเดือน9้าดับแล้วก็เดือนสิบแผ่น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 อยากจะรับรู้รับทราบก็จะได้มาถูกต้องตามวันและเวลาเพราะนนั้นวันนี้เราจึงจะได้เราจึงได้ใช้สถานในวิทยุในวัดของเราอันดับแรกก็จะมีการนำสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีล เ, เริ่มเลยแล้วนะอิมินาสกาเลเฮนานั่ง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 ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพึ่งพาอาศัยร่างกายผ่าพังพาอาศัยส่วนอื่นมีแต่อเิจังทุกขังอนาัตตาทั้งหมดนะมีแต่ละเลงละลายหายออกจากพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นที่จะพึ่งได้ก็คือบุญกุศลที่พวกเราจะทำนี่แหละ บ, บุญกุศลถึงข่าวจนเจียนมาพวกเราจะตะระนระลึก ถ, ถึงบุญกุศลของพวกเรานะ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 แล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่สิบสามเป็นวันตารวจนะหลวงพ่อกับคณะสงฆ์จะได้ไปฉันที่สถานีท่านผู้กำกับนั่งอยู่ตรงนี้แหละท่านทีมนต์มาแล้วก็หลวงพ่อเขาคงจะได้ไปฉันที่สถานีตํารวจอำเภอนายูงของเราวันพุ่งนีนะ้แล้วก็วันนี้เป็นวันพระ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 แล้วก็วันที่แปเป็นวันกรถิ่นนะคณะจัทตาญาติโยมลูกหลานกรถินปีนี้เป็นกรถินพระราชท า, านเป็นกระถิน่นพระองค์โสมหรือท่านจะเสด็จมาเป็นประธานที่วัดของเรานณะว่าเป็นวันเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับประสบนนะในกรเขตอําเภอนายูงน้ำโสมจังหวัดอุดรของเรา เ, าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน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 ที่มาคนมาทําบุญผลที่สุดจตุปัจจัยไปเจ็ดวันนะั้ะลูกหลานนะไปเจ็ดวันมีคนถวายจตุปัจจัยมีพระไปด้วยกันเจ็ดองค์มีหลวงพ่อท่านรัตนะท่านหลงตาดร็อกเตอร์ท่า น, นะา น, านพระารอาจารย์สุธรรมอแล้วก็มีพระฝรงังท่านอาจารย์ดิก๊กไปด้วยกันหลายองค์เจ็ดองค์ออไปอยู่พักไปตระเวน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 ตะเวนไปแต่หลวงพอ่อคิดว่าจะจบไปแล้วแต่ก็มาหลายหลายคนเหมือนกันแต่เมื่อวานมาอีกนะคณะทาญายาจโยมสองผัวเมียกับลูกเท่าก็บอกเขานั่ง เ, เขาปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วกิคิดถึงหลวงพ่อนะอะคิดถึงหลวงพ่อดูเห็นลูกแล้วเอ๊ท่านอาจารย์หลวงพ่ออยู่องค์นี้อยู่ที่ไหนเขาว่าอยู่ที่อุดร อ, อุดรเลยขึ้นไปหาท่านดูเซะนะ่เลยเขาก็บินมานะ พอบินม า, าก็มาลงที่อุดอรก็ไปพักไปรู้จักกับพระที่ไปจำภรษาที่อินโดนีเซียที่วัดหลวงปู่อ่อนสามัคตลงพอจะไม่ผิดนะจากนั้นพระก็ น, นำมาก็ามาโอ้ใช่องค์นี้แหละเขาเขาไม่เคยมาจากนั้นหลวงพ่อเออมาเป็นยังไงเขาก็โอ้เห็นแล้วก็เนเหมือนกับศรัทธาน้ำตาจะไหลลักษณะอย่างนั้นแหละดูดูกับกิริยาของเขา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 เขากําหนดที่ท้องของเขาอคงจะยุบหนอพองหนอกะมัง่งไปดูที่ท้องนะตรงพ่อก็มาได้ถามรายละเอียดเพราะมันให้ผูกให้ชีเอเมเป็นคนแปละนะตรงพ่อก็เป็นคนฟังเออเอาไปยุบหนอพองหนอลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นจิตของเขารวมสงบพอรวมสงบทีนี้จิตมันออกออกออ ก, ออกจากร่างกายขเขว่านะจิตออกจากร่างกายแล้วออกไปเป็นมิติหนึ่ง แสงสว่างมีความสุขมากดูก็รู้เห็นเห็นร่างกายตัวเองอยู่แต่ทอนนี้ร่างกายตัวเองหมดลมช่หมหมอคนเ็าตกใจตกใจก็มาเอาหมอมาตรวจหมอมาตรวจเขาหมดลมตายแล้วอพอตายเสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าห้องดับจิตได้ช่ไหเอาเข้าห้องดับจิตว่างั้นนะลงไปลงพยาบาล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 เออมันมีความสุขมากมันเบาสบายแล้วก็ดูเห็นร่างกายตัวเองอยู่แต่มันออกออกจากร่างเขาเอ่ะเออไอ้นั้นคือครั้งหนึ่งพอต่อมาอีกภาวนาอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สองก็เป็นอีกอย่างเก่าอีกเ อ, อเข า, าตายอีกเหมือนกันครั้งที่สองเดี๋ยวนี้ก็เลยกลัวเลยหลวงพ่อไม่ลุกไม่อยากจะทำภาวนาเลยกลัวเขาจะเอาไปเผาในขณะที่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 ในเมื่อส่งปิดไปตามนิิตจิตมันก็ออกไปพอออกไปมันก็ไปเห็นไปรู้เรื่องต่างๆเหมือนกับเราไปดูหนังอย่างนั้น่ะจบม้วนนี้แหละจบม้วนนั้นจบม้วนนั้นแหละจบม้วนนั้นไปเรื่อยเลเออมันออกจากออกจากร่างไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้ออกไปที่นี่กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถพดโถยึดพุดโถเป็นหลักในเมื่อจิตใจมันเห็นนิมิต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 ข้าพเจ้าจะต้องตายแน่ๆวันหนึ่งในอนาคตไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนพี่น้องปู่ย่าตา ย, ยายของเราตายให้เห็นมามากโตมากเราก็คงจะไปในแบบสถานนั้นแะไม่ไม่ไม่แพ้เขาเหล่านั้นเลยเคือความตายนีย่เสมอภาคกันอะจะว่าเท่าแก่ชราอะไรก็ตามถึงขาวนะั้นต้องถึงจุดจบอันนี้พิจารณาถึงมรณะนุสติหรือพิจารณาถึงอสุภะก็ได้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 แต่โซเฟอร์รถนะ่ยคือใจใจคือเป็นโซเฟอร์รถแล้วก็มาพิจารณาเนโอ้อันนี้สายพานของรถอันนี้หม้อน้ําของรถอันนี้ปักเก็นของรถอันนี้ฝาสูบของรถอันนี้ตาของรถอันนี้แตรของรถให้คําว่าโซเฟอร์เนี่ยเป็นดูดูรถนี้ก็เหมือนกันร่างกายใจของเราเนี่ยดูร่างกายของเรา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 ดูรถทั้งวีทั้งวันไม่ใช่นะให้เราย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนี่เขาเหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายเป็นสภาพสู่ดินน้ำหล่นปมปง่อยเป็นผุยผงอย่างนั้นแล้วก็ให้มาพิจารณาถึงใจเถอใจของเราคือตัวผู้รู้คือนา ม, มธรรมตัวนี่แหละตัวการใหญ่เถนี่กิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนี้หละไม่ไม่อยู่ในไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจอยู่ในตัวผู้รู้อยู่ในตัวนา ม, มธรรม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 ก็ไม่รู้จะทเดินอย่างไงไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไงจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมทำนองครองธรรมทำตามหลักของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราน้าว่าโชคดีได้เกิดมาอย่างนี้นะขอให้พวกนําความโชคดีจุดนี้นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราให้ทวีให้มีความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมจนถึง